การที่เก้าการปฏิบัติกรรมฐานคือเริ่มเตรียมตัวก่อนครับเริ่มจัดการขบวนการข้างหน้ากับข้างหลังก่อนครับข้างหน้าคือตัวของเราครับข้างหลังคือหน้าที่การงานหรือพ่อแม่ที่เราดูแลอยู่ครับพร้อมหรือยังทางนั้นครับหรือเรามาทําแบบลบลบทัน้นๆ พ่อแม่เขาก็ไม่เห็นดีด้วยอะไรต่ออะไรต่างๆพอ๋อครับดันั้นเราต้องดูความพร้อมก่อนคือต้องไม่มีเรื่องที่ทําให้แม่สบายใจไม่มีคะฮะปริโพ o o t คือเครื่องกังวลใจไม่มีต้องไม่มีนะไม่มีครับเมื่อเราไม่มีปริโพ o o คือเครื่องกังวลใจแล้วบัดนี้เราก็เริ่มศึกษาครัำว่าหลักของสมถะกรรมฐานมันมีอยู่สี่หลักครับมีบริกรรมชวนะคณิกะสมาธิครับ อุปจารสมาธิอัปนาสมาธิครับวันนี้เราต้องเตรียมการของเราก่อนว่าดูสภาพร่างกายของเราครับตอนนี้มันพร้อมที่เป็นเวลาที่จะเหมาะสมหรือยังครับการเตรียมการต่างๆของเราพร้อมแล้วหรือยังรเราได้ทําหน้าที่ในการปัดกวาดลานวัดทําหน้าที่ดูแลรักษาครูบาอาจารย์ทําอะไรอลไรในในชีวิตประจําวันของเรานี่มีอะไรที่บกพรองครับ ตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งว่าขนาดนี้่เรามีหน้าที่อะไรบ้างอ๋อต้องทบทวนอย่างนั้นเลยครับต้องทบทวนหน้าที่พลเมืองชินธรรมก่อนโอไม่ใช่ปุ๊บปั๊บใหญ่ใหมานั่งเลยอะไรยงนี้ไม่ได้โอ้ได้ก็ได้นั่งหนึ่แล้วได้นั่งแต่อ๋อแต่มันก็ไม่สงบไม่สงบเท่าที่ควรฮเมื่อเราคลายอารมณ์ทั้งหมดออกไปแล้วไม่มีอารมณ์เหลืออารมณ์แต่น้อยเสียก่อนครับจิตมันถึงจะสงบไปได้ ให้เหลืออารมณ์แต่น้อยอแล้วก็ตั้งเกตนาขึ้นมาพอเราตั้งเกตนาขึ้นมาแล้วแบบนี้เราก็เมื่อกิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราจะถอยกลับมาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจหรือจะมาพิจารณาสัางขารร่างกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงครับคือไตรลักษณ์เสร็จ แ, แล้วเราก็เริ่มปฏิบัติการคร่ะเมื่อกําจัดนิวรธรรมทั้งหมดออกไปครับ ปริพอ์คือเครื่องกังวลใจทั้งหมดออกไปแล้วเราก็รเริ่มปฏิบัติการเมื่อเราตั้งเจตนาแล้วก็เริ่มนึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆสามหนพอนึกสามหนแล้วแบบนี้ก็มานึกพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวให้แน่นมั่นคงอยู่กับคำว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนี้ป่ะครับรเราจะทา หายใจเข้าออกก็ได้แต่ส่วนมากเขาท่านไม่ให้ทํำหายใจเข้าออกอมันจะมากังวลกันอ๋อให้ติดให้นึกถึงคําบริกรรมไปเลยนึกถึงคําบริกรรมไปเลยอ๋อครับพอนึกถึงคําบริกรรมก่อนึกถึงคําบริกรรมไปเลยอ๋อครับแต่ถ้าเราจะทําอันนั้นก็ได้คือเรียกว่าอนาปานุสติครับครับคือกําหนดลมหายใจนั้นก็ได้ครับแต่ในอนุสติสิบมันมีอยู่สิบข้อด้วยกันครับเราจะล้ำลึกอะไรก็ได้ พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติครับเทวตานุสติธานานุสติอนาปานุสติข้อที่สิอบอทัก็ได้แต่ส่วนมากท่านจะให้ทําพุทธานุสติเป็นหลักครับจะถูกกับจริตนิสัยของทุกประเภทอครับไม่ว่าจะเป็นคบประเภลราคะจริตหรือโทสะจริตหรือโมหะจริตก็ตามร บ, บริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธครับ พอบริกรรมพุโทโธไปได้ระยะหนึ่งว่ามันตั้งมั่นได้พอรู้ว่ามตั้งมั่นได้แล้วแบบนี้เราก็ค่อยๆ ค, ย ค, ยคายคำว่าพุโทโธออกครับิตมันตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วขณะกิจหนึ่งในชั่วขณะกิจหนึ่งนี่คือเหยียดได้มือออกกำลังได้มือเข้าสิบครั้งครับอันนี้เรียกว่าชั่วขณะกิจหนึ่งหรือตั้งมั่นได้นานขึ้นจนกระทั่งว่าเกิดอุกขานิมิตหรือปฏิภาคคณิมิตครับ คำว่าอุกขานิมิตก็คือรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาแต่าปางก่อนไม่ว่าจะเป็นรูปพระบรมหาราชวังรูปอะไรต่ออะไรเกศดีสถานอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหมตึกรามบ้านช่องต่าง ๆ, ๆครับอันนั้นเรียกว่าอุกขานิมิตทั้งหมดครับแล้วเรามีกําลังที่จะจับให้มันเป็นไตรลักษณ์ได้ไหมให้ดูให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ของรูปภาพต่างๆนั้นครับถ้าเราดูให้มันเป็นไตรลักษณ์ได้แล้วก็ดูถ้าดูเป็นไตรลักษณ์ไม่ได้ เราต้องถอยกลับมาหาคำบุริกรรมเลยตามลําดับโอถ้าเราไปเห็นปราส า, าทราชสมุนไพร์ไปเห็นอะไรต่วอะไรเราไปยินดีกับสิ่งนั้นไปเลยนะั้นจบอันนี้เป็นอะไรนะอุคหานิมิตอุคหานิมิตโอครับบางทีก็ไปเห็นตึกรามบ้านช่องเหมือนกับปราสาทประเสริฐมันนึกขึ้นมาในใจของมันว่าเป็นปราสาทเทวดาทวเทวดาไปเลยยินดีกับเทวดานั่นก็บจบเลยครับใจเราจะต้องบีบบังคับให้สู่ไตลักษณ์ให้ได้ความ ป่าอา น, นิจังทุกขรังอนัตตาอา น, นิจังทุกขรังอนัตตาคือสิ่งที่เห็นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้มันเป็นอา น, นิจังให้ได้ให้เป็นอา น, นิจังให้ได้ทําไม่ได้ก็ต้องอันนี้เกิดจากการเจตนาของเรานะะบิดครับเจตนาของเราที่จะมาพิจารณาอริยสัจครับและปฏิภาคนี้มิตรน ะ, ระครับบิดปฏิภาคนี้มิตรก็คือจะเห็นสังขารร่างกายของเราออในไฟเกิดหรือไยดับ ไปเกิดก็คือตั้งแต่เราเคลื่อนออกจากสวรรค์มาวิญญาณครับที่มาปฏิสนธิวิญญาณอยู่ในคันของมารดาจนกระทั่งว่านอนอยู่ในคันเก้าเดือนสิบเดือนจนกระทั่งคลอดออกมามีความสุขความทุกข์แค่ไหนครับมาจนถึงปัจจุบันมอืพอถึงปัจจุบันแล้วก็จะเกิดชลาคําฆ่าสลายในที่สุดออันนี้ก็คือเห็นตามความเป็นจริงเอันนี้เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยนะเห็นเกี่ยวกับตัวเรา ครับอันนี้เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงของสัจธรรมแล้วพี่ต้องพิจารณาธาตุสี่ไหมครับดินน้ํามลมไฟก็ในขณะนั้นค่ะจะใช้อารมณ์เฉพาะหน้าเป็นที่ตั้งครับไม่ได้เอาไม่ได้คาดการไม่ได้อะไร<อ>ทั้งหมดครับจะไม่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของเราทั้งหมดครับจะเกิดขึ้นในเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบันเท<อ>่า น, นั้น แล้วก็บรรนี้ถ้าหากคลายจากอารมณ์เหล่านี้ออกไปทั้งสองส่วนนี้ออกไปบนในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเราก็ทะลุลงไปเป็นอัปปนาสมาธิมันจะว่างไปหมดในขณะนั้นครับแต่การกิดที่จะสทะลุเป็นอปปนาสมาธินี้จะเป็นบางคนครับจะมีความรู้สึกเหมือนกับหลุดลงไปในหิวในบ่อรบหรือลอยขึ้นไปในบนอากาศอย่างหลวงปู่มั่นนี่เป็น อในขณะที่กิดสงบเป็นอัปปนาสมาธิครับท่านหลุดลงไปอยู่ในบาดาลพิภพเลยอไปเดินจงกรมอยู่ในบาดาลพอกําหนดขึ้นมาขึ้นไปอยู่ในพรมโลกไปเดินยจงกรมอยู่ในพรมโลกหลวงปู่มาหลวงปู่เสาไปหาหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาร์ท่านก็บอกว่าให้กําหนดคุมรู้ไว้อย่าเดียวฉะนั้นเราก็กําหนดคุมรู้ไว้อย่างเดียวจะไปอะไรก็เรื่องของมันครับมันจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานี้ทั้งนั้นฉะนั้นครับ ดูในอปปนาสมาธินั้นชั่วระยะหนึ่งครับแล้วก็ถอยกลับมาหา อ, อริยสัจนะมาพิจารณาสังขารร่างกายกหรือพิจารณาอุกห า, านิมิตในเฉพาะหน้าในขนาดนั้นแล้วแต่เสร็จแล้วก็เดินหน้าถอยล้งเดินหน้าถอยล้างแล้วทําสมาธิคืนหนึ่งบางครั้งกิดสงบสองสามครั้งครับเดินโยกลมครั้งหนึ่งกิดสงบสามครั้งก็มีอนนอืเดินหน้าถอยล้งเดินหน้าถอยล้างอยู่อย่างนั้นโอ้งานของเราก็ทําอยู่อย่างนั้นคือไม่ได้ไหมายความว่า นั่งปุ๊บแล้วจะสงบปั๊บอะไรเงี้ยโอ้ใหม่คือต้องพิจารณาไปเรื่อยๆต้องพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็ถอยกลับมาพิจารณาซึ่งปล่อยให้มันสงบเข้าไปครับครับแล้วก็ถอยกลับมาหาคำบริกรรมอยู่อย่างนั้นครับผมเอาละครับวันนี้เวลาของรายการธรรมบันดาลใจนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับก็คิดว่าเรื่องของแนวทาง <c oughs> การปฏิบัติกรรมฐานนะครับคงจะเป็น ประโยชน์นะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่จะนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัตินะฮะถ้าว่าท่านสนใจเรื่องของการปฏิบัติสมาธินะฮะเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะก็สามารถที่จะไปเข้ารับการปฏิบัติได้นะครับที่วัดป่ามณีการอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์นะครับ024492234นะคร02 4492234นะครับ <c oughs> วันนี้เวลาของรายการธรรมบัณฑาใจาหมดเวลาลงแล้วนะครับกราบนักสการขอพระคุณท่านพระอาจารย์สาครธรรมพุโธประธานสงฆ์วัดป่ามณีการอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ฟั่นนาจารโรนะครับว <c oughs> ัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนคร น, นะครับกราบนักสการ์หลวงปู่ครับจุดพร สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่นี้ครับสวัสดีครับ